หลังธรรมะเช้าธรรมะเย็นจบลงก็มีการบารลบทรัพสู่กันฟังทุกขวันทุกวั น, วนเพื่อให้ผู้ฟังได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งใดเคยได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็อาจจะเข้าใจได้แล้วก็บรรเทาความสงสัย จิตของผู้ฟังย่อมพองใสทํความเห็นได้ถูกต้องนี่อานิสงการ ฟ, ฟังฟังธรรมไม่ใช่การฟังโดนตีร่องลามําเพลงอันเป็นค่าเชิดโตผู้สลแล้วก็ก็เป็นกิจกรรมสำหรับที่นี่ด้วยเพื่อการนี่โดยตรง ธรรมชาเช้าธรรมเยนมีนอากาศพบปะ ก, กันวันนังก็สามครั้งสองครั้งวั น, นก็ต้องธรรมชเช้าเวลาันตญธรรมเยน็นจะนอกจากนั้นแล้วก็ปริวิเวกอยู่ส่วนตัวในที่ที่อยู่ของตนของตนมีเนื้อที่ประมาณห้ารอยไร่ ก็ไม่แออัดกันแต่มีเป็นกลุ่มบ้างก็คติพวกวาจิกาทั้งหลายอยู่เป็นกลุ่มต้องหน้าสาาหนะัวไจเนี่ยการฟังธรรมนี้ก็เป็นการศึกษาการให้ข้อมูลเจอตัวเองการปฏิบัติก็เกินคือการให้ข้อมูลเจอตัวเอง ศึกษาแบบรวบรัมศึกษาแบบผู้ใหญ่จะหมายถุกวัน น, น, นมมี้เก็บข้อมู ล, ล อ, อันเดียวเช่นคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลอะไรจะจะว่าแต่ผพ้ให้ข้อมูลในสิ่งที่บันดีโทรศัพท์มือถือเครื่อง น, น้อยๆก็เก็บข้อมูลเก็บชื่อของคนได้เป็น 2,000-3,000 มันชื่อจะหมายหม่ การศึกษาทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกวันนี้หรอกมันมีมาตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลแล้วเรื่องน้อยๆก็เป็นเรื่องมากๆเช่นเราจเจริญสติอย่างนี้เราจเจริญสติการมีสติการให้ข้อมูลแก่ตัวเองในการมีสติความรู้สึกความเลือกได้ ความระลึกได้ความรู้สึกตัวนะ่ยทที่เป็นกุศลดันๆก็ เ, เกิดขึ้นขณะที่เรามีสติเป็นศีลด้วยเป็นสมาธิด้วยเป็นปัญญาด้วยเป็นการละความชั่วด้วยเป็นการทำความดีด้วยเป็นการทำกิจของตอนให้บริสุทธิด้วยณะที่เรามีสติไม่ต้องไปทำอะไรที่มั น, นเป็นส่วนปีก ย, ย่อย เป็นการศึกษาแบบผู้ใหญ่รวบพัดเรียกว่ากวดวิชาไปเลยจึงเป็นการสะดวกผู้สอนก็สะดวกผู้ทำตามก็สะดวกสิ่งไหนที่มันทำสะดวกสิ่งนั้นแหละถูกต้องถ้าจาไม่สะดวกไม่ถูกต้องสะดวกในการถูกต้องไม่ใช่สะดวกในการผิดพลาดมงนเราสอนหัตกรรมศิลปรกรรม ถ้าสารลายไหนที่จะต้องสารไม่ไผ่ถ้ามันถูกต้องมันก็ทำง่ายเช่นลายสองลายคุกตรราเขาบอกว่าตรงยกสองให้ยกสี่ตรงยกสี่ให้ยกสองข้ามสามทุกทีตำราบอกนั่นแล้วก็ไปยกดูยกสองยก ข้ามแซมยกสี้ามแซมยกสองคัมแซมยกสี้ามแซมยกสองไปเลยตรงที่ยุกสองให้ยกสามตรงที่ยุตรงที่ยกสองให้ยกสีตรงที่ยุกสีให้ยกสองข้ามสามทุกตีนี่เป็นลายลายไม่ไผ่อัตกรรมต่างๆมันก็ถูกมันมีลายของมันอยู่มันก็เป็นลายขึ้นมาเอาไปเสี่น้ำก็ได้ถ้ามันถูกต้องถ้ามันไม่ถูก ไม่เข้าจัดไม่เข้ามันขวงเอาไว้อะไรนะโลกนี้มันมีความถูกต้องใช้ได้แต่ความผิดใช้ไปได้เช่นความหลงน่ยมันใช้ไม่ได้ความรู้สึกตัวใช้ได้ทําไมไม่ใช่ไม่ได้ความหลงเพราะมันไม่ถูกต้องความโกรธใช้ไม่ได้ความไม่โกรธใช้ได้ขืนไปใช้ความโกรธก็ผิดแต่พืตะบือไป คนที่รักกั น, น, นก็เป็นกายเป็นการเฉียบไยบาดกันถ้าใช่ความโกรธถ้าใช่ความไม่โกรธมันก็ถูกข้องไว้หมดเลยมาไล่เป็นดีใชนะ่ไะแก้ไขคนเราเนะ่ะต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นเรียกวัวฒนะถ้าโกรธอยู่หลงอยู่ทุกอยู่มันล่าสมัย ทุกวันนี่เขาไปกันไกลแล้วเขาหลุดพ้นกันแล้วเราจึงก่อตื่นเร่ร่นบ้างในการศึกษาชีวิตของเรารอบตัวของเราทั้งโลกไปเลยนะทั้งฟ้าแผ่นดินถ้ามีสติความรู้สึกความระลึกได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ไหนไหนก็ตามไม่เป็นความถูกต้องชอบทำอยู่โดยชอบทันทีเลย ถ้าไปลองก็ไม่ได้อยู่ด้ยชอบไม่ได้อยู่ป่าสุกโตก็ไม่ได้อยู่ด้ยชอบอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ชิลๆด้วยชอบถ้าอยู่กับความรู้สึกตัวเอยู่กับธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยมันถูกต้องไปยางไปไหลไปสู่มรรคส่ผลไปเรื่อยสู่ความดีไปเรื่อยๆไปนี่เราจึงได้หลักอย่างนี้ได้พรดกมาจากพระพุทธเจ้า ครูผู้สอนเราบอรผู้หุษปรมาจรูต่อมาก็มีครูวาจารยแล้วก็เรียนตามพ่อข่อตามครูมาเารื่อยๆการศึกษาก็ามาหยูดไม่ยางเราก็ไม่ใช่โง่เงาเต้ า, าตุนเราก็มาศึกษาลองดูเออมันก็ใช้ได้ถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เอาให้กันไม่ได้ต้องทําำมาเองความหลงตัวก็ไม่มีใครทําให้กันหลงได้ ตัวเองทำเองถ้ามันหลงเราลู้สึกตัวก็ไม่มีใครไปบอกเราเราก็ทำเองลู้สึกตัวความลู้สึกตัวเนี่ยความหลงมันก็หมดไปเองนี่ให้ข้อมูลแท้มากๆมันได้ข้อมูลจากตัวมันหลงได้ข้อมูลจากผิดมาเป็นถูกได้ข้อมูลจากหลงมาเป็นรู้ได้ข้อมูลจากความโกรธมาเป็นความไม่โกรธ ได้ข้อมูลมาจากความทุกมาเป็นความไม่ทุกมันเห็นกับตาไม่เห็นกับมือมันจำได้กับมือกับตาเราไม่ต้องไปถามใครอมเกง่งไม่ต้องถามไม่ถามก็ไม่ต้องถามคนอื่นถามตัวเราตัวเราเป็นคนตอบตัวเองเนี่ยถ้าทุกคนอยู่นี่ก็เรียกว่าอยู่โดยชอบเมื่ออยู่โดยชอบโลกใจไม่ว่างจากพระออเดียเจ้า ทีุ่ดทั้งหลายเมื่อพระเธออยู่โดยชอบโลกแกงว่างจากพระอรหันต์พกกระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้เราก็อยู่เนี่ยเราก็อยู่โดยชอบคือรู้สึกตัวเป็นที่อยู่ของเราเป็นการกทําของเราแล้วเราจะทําอย่างไงมันจริงใจรู้สึกตัวก็เนี่ยจังให้คีสร้างอยู่เนี่ยเอา เอากาเนี่ยมาสร้างต้องให้มันรู้สึกตัวรวมรู้สึกตัวเนี่มันต้องเป็นปัจจุบันความรู้สึกตัวต้องเป็นปัจจัตบังเดี๋ยวนี้ไม ใ, ใช่คิดเอาเหตุเอาผลนะความรู้สึกตัวน่ยเป็นการกระทําลงไปสัมผัสลงไปสัมผัสคือความรู้มันก็มีความหลงเมื่อมีความหลงก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้มันก็ได้สอนตัวเราแล้ว ได้สอนตัวเราแล้วสอนสนุกสอนสอนตัวเราถ้าสอนตัวเราได้แล้วก็สอนคนอื่นได้เพราะเราทำยังไงเราก็สอนคนอย่างนั้นเราพูดอย่างไรเราทำอย่างนั้นไม่ใช่จำคนอื่นมาพูดเพราะเราเห็นอะไรวาปัจจิตต่างระของจริงสัจธรรมเราจะมาสร้างตัวลูกเนะี่ย าการสร้างตัวรู้เน่ยจะเรียกว่าง่ายก็ง่ายจะเรียกว่ายากาาก็ยากเพราะอะไรเพราะมันหลงอยู่ตลอดมันหลงอยู่ตลอดหลายอย่างที่มาทำให้ไม่มีความรู้สึกตัวความง่วงเหงาหอนอนบ้างขวางกันเอาไว้ไม่ให้รู้สึกตัวความคิดฟุง้งซานคิดนูน่นคิดนี้ทำให้เกิดหลงเปนมาไม่รู้สึกตัว ความลังเลสงสัยก็เกิดขึ้นนะขณะที่เราสร้างความรู้จากตัวหาคำตอบคิดมาตอบหาคำตอบจากความคิดไม่ถูกต้องน ะ, ะไม่ต้องคิดแล้วมาตอบได้คำตอบจากความคิดถือว่าเป็นสมมติปัญญาติถ้าได้คำตอบจากการเห็นพบเห็นมาเนี่เป็นประมตทสัจจัดเช่นเห็นมันหลงใครเป็นคนเห็นเราเห็นเองก็ตอบ ลองเดสงสัยมันเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดลงไปเอากายมาเป็นที่ตั้งตั้งไว้ใจกายเอากายมันเป็นนิมิตให้มันรู้อยู่นี้รู้ไปพร้อมๆกันกับอาธิยบท14จังหวะ14รู้ไม่ให้มันอยู่เฉยๆถ้าไม่ตั้งไว้มันไม่อยู่มันโดยเพราะจิตเนี่ยมันคิดไปข้างหน้ามันคิดขึ้นข้างหลัง ปัจจุบันทิ้งไปเลยอันคิดไปขั้นหน้ามันไม่จริงดอกอันคิดคืนขั้งหลังก็ไม่จริงอันปัจจุบันเนี่ยมันจริงกว่าถ้าจะเล่าความชั่วถ้าจะทําความดีต้องเป็นปัจจุบันไม่ใช่คิดคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงปุถุพัญญาสามีอันนั้นไม่สําเร็จถ้าจะเป็นคนคิดอย่างนั้น ต้องมาทําตัวเราให้เป็นคนดีคิดถึงพ่อถึงแม่ก็มาทําตัวเราให้เป็นคนดีคิดถึงบุตรปัญญาสามีก็มาทําตัวเราให้เป็นคนดีเป็นปัจจุบันเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าคิดมา่ๆก็เพ้อไปใจห่อเหี่าายวอะไรอาวรณ์อะไรมีแต่ลงโทษตัวเองเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพภาระต่าคนที่หนึ่งที่สองที่สามไป ถ้าเรามาทำดีแล้วรักความดีทำความดีใช้พลังงานน้อยๆความรู้สึกตัวไม่สิ้นเปลืองพลังงานถ้าความหลงลังเด ส, งส่องใสคิดทุงสั้นน่พลังงานกลางคืนก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดไปทางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวไปบางทีนอนสิบสองชั่วโมงมเหนื่อยมเมื่อยล้าแทนที่จะได้พักผ่อนหาเรื่องมาคิดในเวลานอน เพราะไม่ฝึกตนเองคิดแล้วก็นอนไม่หลับสอ ง, งสชั่วโมงสามชั่วโมงพลิกซ้ายพลิกขวาพยายามบีบตาเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับเพราะอันภายในมันฟุ้งอยู่มันคุ้นอยู่เราจึงหัดเราจึงสอนตัวเราเวลานอนก็ไม่มีที่ตั้งเอาไว้ตั้งไว้ที่มือพลิกมือข้อมือหายมือมืออยู่ที่ไหนให้มันอยู่ที่นั่นลมหายใจเข้าหายใจออกหัดตัวเองอย่างนี้ ให้ข้อมูลในทางที่ถูกอย่างนี้เรียกว่าสอนเรียกว่าปฏิบัต ah! ิธรรมปฏิบ <1971. S 2> ัติธรรมคือคือคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนร้ายเป็นดีปฏิบัติธรรมมันมีล้ายอยู่เรื่อยเรื่อยมันมีดีอยู่เรื่อยเมันมีคู่กันอยู่มันมีทุกข์มันก็มีไม่ทุกข์ก็เปลี่ยนมันซะให้มันเป็นไม่ทุกข์อันความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องนะ เรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่สุกโตหรือไม่ใช่อยู่กับตัวเราก า, ายก็อยู่กับเราใจ ก, อ ก, ก, ก, ก, ออก็อยู่กับเราแล้วก็ก็สนุกดีไม่ต้องไปหาแหล่งการศึกษาสถาบันต่างๆมันอยู่กับเราแล้วอยู่บนลถเมอยู่ที่ทํางนาน อยู่ในป่าอยู่ในบ้านที่รุ่มที่โดนมันก็มีกายมีใจอยู่กับเราเราก็สอนมันเป็นการสอนตัวเองมีการศึกษาที่กว้างใหญ่ไพศาลชีวิตเราในเฉลยโอกาสลู่เสมอเฉยโอกาสลู่เสมออย่าหาโอกาสวางลู่เจ็ตัวเป็นการฉวยโอกาสเป็นการได้โอกาสทุกเวลาการทํำเงินหาโอกาส หาโอกาสบางทีไม่มีโอกาสเลยการการู้จึกตัวการมามีสติเนี่ยมันสะดวกที่สุดเลยบริจัทแปลนคณะกลุ่มบริจัทแปลนมีโอกาสมีโอกาสได้มาทำวามดีมาปลูกป่ามาทอดผ้าป่ามาให้ แนวร่วมในการรักษาป่าคืนป่าให้แผ่นดินคืนน้าให้ปลาคืนป่าให้แผ่นดินนีไประเทศเรามันภาพเรื่องเสียงรารลอมมากที่สุดเรามาช่วยกันมันก็อยู่ไห้รอดหลวงพ่อเคยเปลั่งโล สหรัฐอเมริกาน่าสงสารน่าสงสารโลกเนี่ยที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะไม่มีใครช่วยโลกมีแต่คนทำลายมันใกล้จะบิจะแตกออกจากกันแล้วมันแตกไปแล้วบางบางอย่างแต่นี่ประเทศไทยเราก็มาแตกอยู่ที่ยังใหม่รอยจะเข็บรอยเล่าไปแผนนิ้นไว้ <c oughs> อันนี้ เราก็มือห้านิ้วจีบนิ้วของเรามาช่วยโลกของการกลุ่มบริษัทแฟนมาวกปลาเนี่ยก็ทำความดีมีโอกาสอีกหลายคนไม่มีโอกาสอย่างนี้เลยเป็นหลายบีมาแล้วช่วยที่นี่บ้างช่วยที่ป่ามหาววันบ้างหลายอย่างพวกเราก็มีโอกาสหน้าอา่านมอธนามากๆเลยทีเดียว ถ้าจะพูดถึงแหล่งปัญญาถ้าจะพูดทังต้นปัญญาก็เกิดจากส่วนกลางเกิดประเทศไทยเราส่วนกลางเรียกว่ามัตชิมะมัตเทมิมัธยมประเทศประเทศส่วนกลางปัจจันตะประเทศคือประเทศนอกรอบนอกเช่นภาคอีสานภาคใต้อะไรเรียกว่าปัจจันตะประเทศ เขาก็อนิยมส่วนกลางแม้แต่พระสวดเนี่ยเขาอนิยมส่วนกลางมาสวดเจงถูกกันเอาความนิยมส่วนกลางเพราะส่วนกลางเป็นแหล่งกัญยามหาเทระสมาคมในการศึกษ า, าส่วนรอบนอกก็เป็นเป็นผู้ที่รับมาส่วนกลางเพงื่ะการอ่ารักสิ่งแวดล้อมเนี่ย ดีแล้วถูกตองแล้วออนตั้งต้นจากส่วนกลางและไมีโอกาสอรอบนอกยังไม่คิดกันเท่าไหร่หลวงพ่อก็อยู่นี่สามสิบกว่าปีแล้วไม่เห็นชาวบ้านที่จะมาป่าร้อรมาลงแรงมาร่วมมืออย่างนี้ไม่ค่อยมีเกิดจากส่วนกลางทางนั้นเป็นสิ่งที่ อ, อาศัย พึ่ง่าใสยกันได้มีโอกาสแล้วส่วนรอบนอกเนี่ยก็มันไม่เหมือนส่วนกลางอันทีเราก็เราอย่าไปพึ่งอะไรมากๆก็ๆไม่ได้เพราะเขาก็ลำบากท่านพวกเราจึงเป็นธุระซ า, าป่าโพหลงบางป่าสุขโตบางที่ไหนไหนบริจุมบริจัดแป็น ไ, นไป ไปไปทั่วๆไปบางทีก็พาหลวงพ่อไปสีรังกาหลวงพ่อยังประทับใจอยู่กับผมไว้เสร็จแผดไปสีรังกาขึ้นภูเขาสีปะท ะ, ะสูงที่สุดในโลกสีปะทะกันเลยถ้าใครได้ขึ้นภูเขาสีปะทะแล้วที่อันอื่นๆเป็นเรื่องเด็กน้อยไปหมดเลยเป็นเนตก็เคยไป อ่าจนเลี้ยเล็กน้อยไนเลยถ้าขึ้นสีปะทะได้ตอนด้านห้องพ่ออายุแก่กูเพื่อนขึ้นได้เลยไปขึ้นที่หลังเพื่อนน ะ, ะเพื่อนไปก่อนเราลงมาแล้วหลวงพ่อก็ยังไม่ยอมผมขึ้นได้จนได้เนี้ยก็ไปทั่วๆไปเนี้มีโอกาสแล้วหลวงพ่อเจะจะมีโอกาสส่วนตัวเป็นไประยาก้อต้องก็มวยจัดแต่ให้โอกาสแล้วก็ไปได้ อันนี้ก็ต้องช่วยกันอาจาอยูุ่คายยเราเลยพิธิบธรรมก็ต้องช่วยกันหน่อยอย่าต้องให้มีการบังคับถ้าเรามีสติก็ร่วมช่วยกันแล้วถ้าเราหลงไม่ได้ช่วยกันเลย <Okay. S 1> จะมีปัญหาถ้าเรามีสติคนไทยหกสิบกว่าล้านคนเนะ่เป็นคนคนเดียวกันถ้าเราหลงก็เป็นคนละคนกันทีเนี่ย <Okay. S 1> จริงไหม เรั้งอยู่นร้อยกลัวคนนะ่ะถ้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวก็เป็นคนคนเดียวกันคนนาชีก็นั่งอยู่รู้สึกตัวพระสงฆ์ก็รู้สึกตัวอุโบสถวาสิกาก็รู้สึกตัวก็เป็นคนเดียวกันกําลังรู้สึกตัวกำลังรู้สึกตั ว, ตวเวลาเราปฏิบัติหลงก็เที่ยงก็มาถามเรารู้สึกตัวดีไหมรู้สึกตัวดีเออน่ะทําอย่างนั้นละคนที่สอนก็สบายถ้าหลงก็ เขาบอกกันงานเปลี่ยน้งให้สร้างแจงวะให้รู้สึกตัวย่าอยู่เฉยๆภาษาเมืองเลยเรียกว่าเหน่งเรียกว่าไหวเหน่งคือติงเคลื่อนไหเมืองลาวเหน่งเรื่อยๆคือเคลื่อนไหวเรื่อยๆลูกลูสบสี่ลูลนะลูกลูกลูเนี่ยมันมีสิบสี่ลู วันต่างเราเพิ่มเอาให้ข้อมูลกับตัวเราให้ความรู้เขาไปความรู้เขาไปเมื่อให้ความรู้เขาไปอันอื่นที่ไม่ให้ความรู้มันก็ก็หายไปเห็นมากได้ความรู้เจ็ดตัวเรียกว่ามหาสติปัฏฐานมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทําตรงนี้ให้ดีๆสักหน่อยให้โอกาสเจ้ตัวเองสักหน่อยดูสิเกิดมาตั้งชาติแล้ว วันหนึ่งเราหลงหรือว่าเราอยู่กับความรู้กันถ้าอยู่กับความหลงมันจะมีอะไรดีขึ้นหรือคนเราไนะอายุก็หมดไปหมดไปความหลงก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจะไปอยู่ตรงไหนกันเ้าโหม่ร้องไห้เสียใจน้ำตาไหลให้โอกาสเจอตัวเองบ้างถ้าความหลงมันมากความรู้มันน้อยมันก็เพิ่งตัวเองไม่ได้ เรามีจิตใจนี่มีใครบ้างที่พึ่งใจตัวเองได้นอยคนอาจจะพูดว่าไม่มั่นใจตัวเองอะไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้่จะเป็นยังไงไม่มั่นใจมันไม่น่าจะพูดอย่างนั้นเลยเพราะใจเรามันก็คือใจเราเราก็รู้อยู่เราก็เปลี่ยนมันได้ถ้าเราหัดพิธีเปลี่ยนมันหลงก็รู้ซะมันทุกข์ก็รู้ซะมันโกรธก็รู้ซะ จะทำตามมันหรือความหลงจะทำตามความโกรธจะทับตามความทุกข์หรืออย่างนั้นไม่มั่นใจจริงๆอ่ะก็เลยโกรธแล้วก็ <c oughs> แสดงออกเ <c oughs> สียเปรียบความโกรธเสียเปรียบความทุกข์ให้ความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้าม ค, ามคืนเสียเปรียบอ่นทั้งๆนี้มันไม่มีมันมาพักช่วงเแค่เขามันก็หายไปมันไม่มีตัวเป็นตนแล้วก็เสียเปียบกับมันะ เนี่ยสุกโตทำอย่างนี้สอนกันอย่างนี้ช่วยกันอย่างนี้ช่วยกันเพียงแต่ช่วยเพียงแต่พูดให้ฟังการทำเป็นหน้าที่ของเราเองว่าเนี่ยมันมีหลักอยู่ตรงนี้อันที่มันถูกอันที่มันผิดมันอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนไม่ได้มุดท้องแม่ไปแก้ที่ไหนในพบใดญาติใดก็าจะมีโรกสวรรค์ก็แก้เดี๋ยวนี้ คือของจริงเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้มันมีอยู่แต่ว่าไม่มีใคเห็นพรนุ่งนี้คือเห็นเดี๋ยวนี้ีเองถ้ามีชาติหน้าจริงก็คือเดี๋ยวนี้แหละถ้าตอนนี้มันดีเรามีสติพรุ่งนี้ก็มีสติไปถ้าวันนี้เราหลงพรุ่งนี้ก็หลงไปวันนี้เราโกรธพรุ่งนี้ก็โกรธไปวันนี้เราไปโกรธเลยว่าพรุ่งนี้ก็จะไม่โกรธไม่ทุกไปอันนี่ยมันต้องตัง้งต้นปัจจุบันนี้ ความถูกต้องการทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้คือปัจจุบันไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้คือปัจจุบันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นีเนี่ยก็พูดอย่างนี้สอนอย่างนี้ขอยินดีตอนรับกลุ่มบริษัทแผนทุกๆ ท, ท่านที่มีศรัทธาฝากันมาอํามรักที่พรุ่งนี้ก็จะไปปลูกป่ามหาวันหล้วก็ก็ต้องการมากๆกการปลูกป่า เวลานี่หลวงข้อก็เป็นหนี้เป็นหนี้ประเทศชาติเป็นเรื่องอะไรมากเป็นล้านล้านนะวิธีที่ใช่หนี้หลวงพ่อก็คือปโป่ารักษาตัวอยู่ปีหนึ่งป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลจาิตลาหมอต้องใช้ ย, ยาใช้เงินใช้ทองมากจีโมโรถหนึ่งเป็นแสนแสน อะไรอะไรมากมายนะแต่เขาไม่เจ็บเงินเจ็บทองโอ้ถ้าเราไม่ตายหมอรักษาถ้าเราไม่ตายเราหายเราจะปลูกป่าใช่นี่เวลานี้ตั้งแต่พอมีเที่เอาแมลงมาตั้งแต่พฤษภามาเนี่ยปลูกต้นไม้ไม่หยุดไม่หย่อนทุกวันปลูกทุกวันทุกวันปลกทุกวันเวลา20ต้น10ต้น3ต้น4ต้น5ต้นปลูกทุกวันปลกูกแล้วกว็รดน้ํา เอาเองปลูกเอาเองดูแลเอาเองนะนได้เกือบอจะสองสองพ0นต้นแล้วอย่างน้อยนะตั้งแต่เดือนพฤษภามาจนถึงเดือนกรอกระดาษนะตามกำลังของตนเพราะอยู่ไม่ได้เป็นนี่เยอะก็มอเตอรัไซค์เปน็นไม่ใช่นี่ช่วยเรื่องพอมหาวันอ่ามันจะเป็นประโยชน์นะต้นน้ำจริงๆอ่ะมหาวันนะต้นน้ำ รังถาต้นน้ำชีก็ว่าได้ต้นน้ำมูลก็ว่าได้ต้นน้ำอะไรไหลไปนะผ่านประเทศไทยหลายจังหวัดจากนี้เกิดที่นี่ตอนนี้เป็นภูเขาหัวลุนเสร็แล้วมันก็ให้รอดตกกระทุกระเทือนได้หมดเราไม่เคยตัดต้นไม้สักคนหนะึ่งแต่เราเลือดร้อนไม่มีใครตัดต้นไม้เราอยู่เนี่ยทําหาจินได้เบียเบียนไะไรเป็นคนดีแล้ว แต่คนของเราที่ยังไม่ดีเราต้องมาช่วยกันเราละความชัว่วเราละได้แล้วเราทำความดีเราทำเลยแล้วเราทำจิตให้บริสุทธิ์เราทำเลยแล้ ว, แ, ลวแต่ต้องไปช่วยคนอื่นให้เขาละความชัว่ใวให้เขาทำควาดีให้เขาทำจิตบริสุทธิ์อันนี้เป็นหน้าที่ของเราหยุดไปได้ในชีวิตของเราในช่วงที่พอทำอะไรได้ก็อัลโมเนา นี่ก็ก็ขอตอนรับวันนี้โดยธรรมะปฏิสันฐานอาหมิตรปฏิสันฐานมีน้อยที่อยู่พอกันหรือเปล่าไม่รู้นะต่อาจารย์ตุ้มจะจะดูกันนะก็ตอนนี้อาจารย์จะเจอา<ม> ก, กับ